เรื่องเล่าผีหลอนตอนปอบยายทองกับมือปริศนาในคืนฝันร้ายเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ส่งมาจากสมาชิกท่านหนึ่งโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2512ซึ่งตอนนั้น ผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครับพ่อแม่ของผมนั้นท่านพากันย้ายภูมิลำเนามาจากที่อื่นแล้วมาลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ก็คือบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละครับผมมีพี่ชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวสองคนและน้องชายอีกสองคนซึ่งคนสมัยก่อนเขามีลูกกันเยอะแบบนี้เป็นปกติ บ้านที่ครอบครัวผมอาศัยอยู่กันนี้ลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเตียใต้ถุนสูงจากพื้นไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำหมู่บ้านที่ครอบครัวผมพึงย้ายมาอยู่ใหม่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่มากก็ตั้งเป็นหมู่บ้านกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นทวดน้นแล้วละ่ะหมู่บ้านท่ามกลางดงลึกแห่งนี้ มีคนเล่นของเล่นวิชาอาคมเวทมนต์คุณไสอีกทั้งผีป่าอาถรรพ์สารพัดสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่ได้มีใช้กันทั่วถึงเหมือนอย่างสมัยนี้และหมู่บ้านในป่าอันห่างไกลแบบนี้บรรยากาศในตอนกลางคืนมันจึงเงียบกริบและมืดมิดเนื่องจากในบ้านของผมนั้น มีสมาชิกกันอยู่หลายคนแน่นอนว่าห้องหับต่างๆมันย่อมมีไม่พอสําหรับทุกคนฉะนั้นผมกับพี่ชายอีกสองคนพวกเราก็นอนเรียงกันที่โถงบ้านนั่นแหละครับให้น้องๆกับพี่สาวเขานอนกันในห้องและพ่อแม่ผมท่านก็นอนอยู่อีกห้องหนึ่งเนื่องจากผมเป็นผู้ชายคนเล็กสุดที่ได้นอนกันตรงโถงบ้าน ผมจึงถูกเบียดให้มานอนติดข้างฝาซึ่งดันบนหัวของผมนั้นจะเป็นเสาบ้านและข้างๆเสาจะมีช่องขนาดฝ่ามือผมก็ไม่รู้ว่าไม้กระดานแผ่นนั้นมันสั้นหรือว่าตอนสร้างบ้านเขาจงใจทำช่องนี้ไว้ก็ไม่รู้จะเป็นช่องที่เอาไว้ให้ลมพัดเข้ามาเวลาที่นอนแถวนั้นก็ไม่แน่ใจ แต่ผมก็ไม่เคยเห็นพ่อหรือแม่มาใช้ประโยชน์จากช่องนี้เลยนะมีอยู่คืนหนึ่งตอนที่ผมกำลังนอนอยู่เหมือนเช่นเคยยังไม่ทันที่จะหลับผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีมือสีดำๆที่ผอมแหง้งมันกำลังยื่นมาจากรูไม้ข้างบนหัวนอนแล้วมาอยู่ตรงใบหน้าของผมด้วยความมืดของบริเวณโถงบ้าน แม้สายตาของผมมันจะปรับสภาพให้ชินกับความมืดแล้วแต่ก็ยังมองเห็นสิ่งที่คล้ายมือนั้นไม่ค่อยถนัดนักแต่แล้วจู่ๆเจ้าสิ่งนั้นมันก็ฟาดมาตบหน้าผมเสียงดังฉาดแต่แทนที่ผมจะดิ้นและร้องโวยวายผมกลับทำไม่ได้ยกแขนขาไม่ขึ้นเจ้าร้องออกมาแต่กลับอ้าปากไม่ได้ อาการตอนนั้นมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าผมจะโดนผีอ่่มกันแน่จนผมนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่พอจะจำได้กระทั่งเหมือนผมจะหลุดออกมาจากผวางแล้วผมสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และส่งเสียงร้องด้วยความกลัวและเผลอเอะอะโวยวายออกมาอย่างไม่เป็นภาษา จนพี่ชายของผมสะดุ้งตื่นแล้วก็มาถามผมว่าเป็นอะไรผมก็ได้เล่าสิ่งที่ได้พบเจอให้ฟังพี่ชายก็หาว่าผมพูดเพ้อเจอนอนละเมอละสิทธานอนได้แล้วดึกแล้วผมก็ไม่อยากจะเถียงอะไรต่อเพราะตอนนั้นมันก็ดึกแล้วด้วยผสมกับความง่วงผมพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ แต่คืนนั้นผมนอนฝันเห็นแต่ผียันเช้าเรื่องราวมันก็วนเวียนอยู่แต่เรื่องน่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ตอนสายๆผมก็มาคุยกับพี่ชายทั้งสองคนก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้ฟังรวมถึงความฝันเหล่านั้นด้วยพี่ชายทั้งสองคนของผมก็บอกว่า พวกเขาก็ฝันแบบเดียวกันทั้งสองคนมีแต่ผีสางน้ากลัวแต่พี่ชายคนโตจะแตกต่างไปหน่อยเขาเล่าว่ามีมือดำๆยืนมาจากรูตรงหัวนอนแล้วตบเข้าที่ใบหน้าพี่เขาสะดุ้งตื่นก็ลุกมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจะว่าฝันแต่มันก็เหมือนจริงมากๆใบหน้าที่โดนตบ ก็ยังรู้สึกเจ็บนิดๆอยู่เลยแต่ที่ทำให้ต้องคิดมากก็คือตรงบริเวณที่มือฟาดมาตบหน้าเขานั้นมันมีอะไรเหนียวๆคล้ายกาวติดเลอะอยู่จึงเอาผ้าเช็ดออกด้วยความที่เป็นพี่คนโตก็ไม่ได้โวยวายอะไรเพราะไม่อยากทำให้น้องๆพากันกลัวนั่นเองในคืนต่อมาพอถึงช่วงดึกๆ ที่บ้านของผมก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นคือพี่ชายคนโตของผมเขามีอาการแปลกๆจูจๆก็ร้องโวยวายขึ้นมาคล้ายกับคนละเมอยอย่างนั้นแหละก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วดิ้นตัวขลุกขลักแล้วร้องอกอากเสียงดังจนคนในบ้านพากันตื่นมาดูเสียงเอะอะของครอบครัวผม ทำให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงต่างแหกตาหลับขับตาตื่นเดินมาดูว่าที่บ้านของผมมันเกิดอะไรขึ้นที่กลางโถงบ้านของผมนั้นพอกจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซทุกดวงเท่าที่พอจะมีในบ้านให้มันสว่างได้มากที่สุดพี่ชายของผมนั่งกลางวงล้อมและส่งเสียงร้องโอกอากสลับกับคลางฮือๆออกมา ชาวบ้านที่เขามาดูกันก็มีหลากหลายความคิดก็พูดกันไปหลายอย่างมีใครคนหนึ่งบอกว่าอาจมีเสเ็จติดคอก็ได้วิธีแก้ของเขาก็คือให้ตำพริกแห้งละลายน้ำให้กินซึ่งก็มีคนข้างบ้านที่เขามาดูได้เข้าไปที่ครัวแล้วทำมาให้พริกที่ตำละเอียดถูกละลายผสมเข้าไปในน้ำขันใหญ่ สีแดงจนหน้ากลัวจากนั้นเขาก็ยกยื่นให้พี่ชายของผมก็ยกขึ้นดื่มอึกอลงไปหน้าตาเฉยราวกับดื่มน้ำเปล่าแก้กระหายยังไงยังงั้นและระหว่างที่พี่ชายยกน้ำผสมพริกขึ้นดื่มอยู่นั้นพวกเพื่อนของพี่ชายรวมถึงพี่น้องในครอบครัวเราบางคนเห็นดังนั้นก็โวยวายขึ้นมาว่า มันจะกินเข้าไปได้ยังไงมันเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจากนั้นสักพักพี่ชายที่เขาได้ดื่มน้ำละลายพริกเข้าไปตอนแรกที่ดูไม่มีอาการอะไร จ, จู่ๆเขาก็ทำท่าเผ็ดขึ้นมาอย่างกระทันหันดิ่นพลาดแล้วร้องทุรนทุรายปานจะขาดใจแต่ก็มีชาวบ้านอีกพวก ที่เขาแนะนำให้เอาพริกละลายน้ำในตอนแรกนั่นแหละได้ทักขึ้นมาว่ามันจะเ็ดตรงไหนก็แค่พริกซาวน้ำแล้วอาการของพี่ชายตอนนี้ก็นิ่งไปเสียเฉยเฉยดูอาการแล้วเหมือนเขาไม่เคยเผ็ดมาก่อนทั้งที่เมื่อกี้ก็ยังทุรนทุรายอยู่เลยตอนนี้ทุกคนจึงเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติ พ่อของผมซึ่งที่จริงแกก็มีคาถาอาคมอยู่มิใช่น้อยแกก็ได้ไปเอาไหว้ประกมที่บนหัวนอนซึ่งก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งเอามาจิ้มเข้าไปที่ตัวของพี่ชาย <spe ak> เพียงจึ๊กเดียว <spe ak> พี่ชายก็ร้องจากแล้วคร่ำรวนด้วยความทรมานจากนั้นก็พูดออกมาว่ากู <spe ak> จะไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว ทุกคนก็ช่วยกันถามว่ามึงเป็นใครแต่ยังไม่ทันได้ตอบวิญญาณร้ายที่มาสิงในร่างพี่ชายมันก็ชิงออกไปเสียก่อนคืนนั้นเพื่อนเพื่อนของพี่ชายก็เลยมานอนเฝ้ากันเต็มโถงบ้านวันต่อมาผมก็บังเอิญไปได้ยินเพื่อนบ้านและพ่อของผมเขาคุยกันว่าพี่ชายผม ถูกปอบยายทองมาเข้าสิงซึ่งยายทองแกเป็นคนเล่นวิชาอาคมทําคุณไสาทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมแต่วิชาแตกจนกลายเป็นปอบและเล่ากันว่าปอบยายทองแกก็ยังไปสร้างวีรกรรมที่อื่นไปเรื่อยๆจนผมได้ไปบวชเนนอยู่ในเมืองก็เลยไม่รู้เรื่องราวพวกนี้อีก และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวละลอนจากคุณพี่ศักพีชด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลีลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook f แ n p เ g e หรืออีเมลที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ